เรื่องนี้มีโอปปาติกะท่านหนึ่งซึ่งเป็นโอปปาติกะชั้นปัญญาชนเข้าใจเรื่องในโลกมนุษย์ดีและเข้าใจเรื่องราวต่างๆในโลกของโอปปาติกะเป็นอย่างดีท่านเป็นห่วงเป็นใ่เรื่องนี้มากท่านเห็นคนส่วนใหญ่กำลังงมงานในเรื่องเหล่านี้จึงได้บอกให้ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ออกมาเพื่อเป็นการเตือนสติของผู้ที่สนใจเรื่องนี้